เพื่อจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆธรรมะที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องทางสายกลางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองทางสายกลางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงเป็นผู้ตัดสู้เป็นผู้ส่งค้นพบทางนี้ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้อย่างสมบูรณ์ mm hmm. ก่อนหน้านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงตัดสู้ทรงค้นพบทางสายกลางนี้ก็มีการ ปฏิบัติหรือการกระทําเพื่อหยุดความทุกข์ดับความทุกข์ต่างๆอยู่2วิธีด้วยกันที่พุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นวิธีที่สุดตรงก็คือวิธีหนึ่งก็คือการดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขมาเสพความสุขทางการมคุณ5ความสุขทาง รูปเสียงกลิด่นรสผลทพะชนิดต่างๆเช่นการไปเที่ยวกันการไปดูไปฟังมหัศลศพบันเทิงต่างๆการไปร่่มหลับนอนกัน<ม>การไปกินไปดื่มอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเสพกรรมเสพความสุขจากการ ได้ ส, สัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสผดสะ พ, พชนิดต่างๆซึ่งก็จะช่วยดับความทุกข์ทางใจได้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่มีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจมีความเบื่อหนายมีความไม่มีความสุขใจคนที่ใช้วิธีนี้ก็จะไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลดพภาชนิดต่างๆมอเสพเช่นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปกินไปดื่มอาหารตามร้านอาหารต่างๆเป็นต้นการกระทำเหล่านี้ก็จะทำให้ความทุกข์ใจที่มีอยู่นั้นหายไปชั่วคราวแต่ไม่ได้หายไปอย่างถาวร เพราะว่าหลังจากที่กลับมาจากการไปเที่ยวการไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วความทุกข์ก็จะกลับมาใหม่ความทุกข์ที่จะกลับมาอยู่นื่ก็คือความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายของเรานี่เองความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่จะเกิดจากการพลาดพลาดจากกันเป็นต้นความทุกข์เหล่านี้ ไม่สามารถใช้การมาสุขดับมันได้อาจจะเอาการมาสุขมากลบมันไว้ชั่วคราวเออการมาสุขนี้เป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขได้จากการมาสุขนี้หายไปความทุกข์ก็จะกลับขึ้นมาอีกพอคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงการต้องพัดพากจากกันความทุกข์ก็จะกลับมาอีก วิธีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติมาก่อนก่อนที่จะได้ออกบวชพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายพระราชโอรสลูกของพระเจ้าแผ่นดินที่มีความร่ำรวยมีทรัพสมบัติมากสามารถหาความสงจากรูปเสียงกลิ่นรสพดน์พระชนิดต่างๆได้อย่างเต็มที่ มีภาษาสามฤดูไว้ให้ประทับมีผู้คอยรับใช้คอยหาความสุขต่างๆ ม, มาปลนเปล่มีอาหารการกินมีเครื่องดื่มมีการนัดเล่นการบันเทิงอะไรต่างๆให้เสพให้สัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้มีความสุขมีความเพลิดเพลินไปชั่วคราว แต่พอวันหนึ่งพระ อ, องค์ได้ออกไปเที่ยวนอกราชวงก็ทรงไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ทราบว่าต่อไปพระ อ, องค์ร่างกายของพระ อ, องค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกันพอเห็นความจริงอันนี้แล้วความสุขที่เคยได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆนี้มันหายไปหมด ความทุกข์ความเศร้าใจความวิตกกั ง, งวลความหวาดกลัวก็เข้ามาแทนที่ทันที อ, องค์ทรงรู้ว่าการใช้ความสุขทางกามทางรูปเสียงกลิ่นลดผดผานี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้จะต้องไปลองอีกวิธีหนึ่งก็วิธีของนักบวชวิธีปฏิบัติ เจริญจิตตภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิให้เข้าฌานขั้นต่างๆพระองค์ก็ทรงสเสด็จออกบวชแล้วก็ไปศึกษาวิธีเจริญสติวิธีนั่งสมาธิให้เข้าสู่ความสงบของฌานต่างๆเวลาเข้าสู่ความสงบของฌานต่างๆความทุกข์ก็หายไปชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นร่างกายมาคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ก็กลับคืนมาอีกก็ทรงรู้ว่าวิธีของนักบวชที่ใช้สติใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการดับทุกข์นี้ก็ดับความทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับการใช้การมาสุข ลทดลองวิธีสุดโต่งที่มีนักบวชบางคนใช้กัน mm. ก็คือการใช้การมาทุกข์ใช้ความทุกข์ที่เกิดจากการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อ mm. หวังว่าเมื่อเจอกับความทุกข์ของร่างกายแล้วจะทำให้ความทุกข์ของใจนี้หายไปได้ mm. เช่นลองอดพระกาย า, ารถึง49วันด้วยกัน อดจนง้างเนื้อหนังนี่มีแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าอดต่อไปไม่กี่วันก็จะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ทรงพิจารณาดูก็เห็นว่าถึงแม้จะทนความทุกข์ของการอดอาหารได้แต่ก็ไม่สามารถเอาความทุกข์นี้การอดทนกับความทุกข์อันนี้มาดับความทุกข์ทางใจได้ใจก็ยังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ องค์จึงทรงเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่เป็นทางเรียกว่าเป็นทางสุดตรงทั้งสองทางทางหนึ่งก็เป็นการหาความสุขทางกามารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสมาเสกก็ดับได้ชั่วข่าวแต่ไม่สามารถดับได้อย่างถาวร อ, อีกทางหนึ่งหวังที่จะใช้การเจริญสตินั่งสมาธิหรือประมาณนั่งกายให้นั่งกายเจ็บปวดรวดรา้ว ก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ อ, องค์จึงทรงย้อนกลับมาศึกษามาวิเคราะห์ดูก็ทรงเห็นว่ายังมีอีกทางเลือกอยู่ทางหนึ่งก็คือทางสายกลางทางที่ใช้ความสงบของสมาธินี้เป็นพื้นฐานเป็นที่สนับสนุนแล้วก็ใช้การเจริญปัญญา เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความทุกข์จงใจว่าใจนี้ทุกข์เพราะอะไรกันแน่<ม>ก็ทรงเห็นว่าเวลาที่เข้าสมาธิความทุกข์หายไปเพราะใจสงบใจไม่คิดอะไร<ม>แต่พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดพอใจไปเริ่มรับรู้เรื่องราวของร่างกายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา กรส่งวิเคราะห์ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไรถึงทำให้ใจต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายในที่สุดก็ส่งค้นพบว่าเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วความทุกข์ใจมันก็ไม่มีที่มันทุกข์ก็เพราะว่าไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงของร่างกาย ไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพระองค์ก็เลยส่งค้นพบสาเหตุของความทุกข์ของใจว่าความทุกข์ของใจทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของใจเองอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากให้อยากให้ร่ากงกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามกฎธรรมชาติของร่างกายไม่มีร่างกายของใครที่จะสามารถไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้<ม>ถ้ายอมรับความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามมไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีเราอยู่ในร่างกาย<ม>ใจก็สามารถยอมรับความจริงได้ พอยอมรับความจริงยอมให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายได้ความทุกข์ของใจก็จะหายไปทันทีเราสองคนพบว่าการที่ความทุกข์ของใจนี้เกิดจากเกิดจากความอยากของใจเองและการที่จะทําให้ใจหายทุกข์ก็ต้องหยุดความอยาก การจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของยั่งยืนถาวรหรือเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของใครหรือไม่ก็ส่งพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใคร ไม่มีใครไปสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายหรือไปทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจแต่ถ้ายอมเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิก็หยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆอ่อไม่มีความคิดไม่มีความอยากต่างๆเกี่ยวกับร่างกาย ความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็หายไปดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็คอยสอนใจว่าต่อไปนี้อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายมันจะแก่ก็ต้องยอมรับมันมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องยอมรับมันมันจะตายก็ต้องยอมรับมันพอยอมรับมันได้เท่านั้นพระองค์ก็ส่งหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แราได้ส่งค้นพบสาเหตุที่พาให้ใจต้องมาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากอันนี้หยุดการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆ หยุดความอยากมีอยากเป็นอยากมีก็คืออยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายมีความสุขแต่ความจริงมันก็ทำไม่ได้เพราะความความสุขของร่างกายก็เป็นความสุขชั่วครัง้งชั่วคราวร่างกายก็เป็นของชั่วคราวและเวลาที่มันเกิดความเจ็บความแก่ความตายก็อยากไปอยาก ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือตัณหาความอยากสามประการที่ทำให้ใจต้องมาทุกข์ที่ทำให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือการมตัณหาความอยากเสพลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะภาวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้ร่างกายสุขอยากให้ร่างกายเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญ ด้วยรูปเสียงกลิน่นรสพลตภะแล้วพอเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากเหล่านี้มันทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเวลาที่มันไม่สามารถทําตามความอยากได้ถ้าตัดความอยากเหล่านี้ได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์ในใจต่อไปมีคือการตัดเะริสาเหตุ ของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากต่างๆและการที่จะทำให้ความอยากต่างๆหยุดได้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมที่ทรงได้ปฏิบัติมาก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญานั่นเองศีลก็คือการห้ามใจไม่ให้กระทำหรือพูดที่เป็นสิ่งที่เป็นบาป แล้วก็ทำใจให้สงบนิ่งให้ใจมีกำลังที่จะสู้จะหยุดกับความอยากต่างๆได้แล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์เวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ให้ค้นหาดูว่าเกิดจากความอยากชนิดไหนอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรหรืออยากไม่ได้อะไรอยากไม่เป็นอะไรหรืออยากจะหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็ให้ไปหยุดความอยากเหล่านั้นเสียพอหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์ก็มีที่จะหยุดความอยากได้ก็คือทางสายกลางนี่ที่เราเรียกว่าสีนสมาธิปัญญาหรือมรมรแปดมรแปดก็คือทางสายกลางนี่ที่พรเจ้าทรงตัดสรุยอดส่วนนูมาก็กลายเป็นเป็นไตสิกขาเป็นสีนสมาธิปัญญา เช่นมรรคแปดมีองค์ประกอบอยู่แปดองค์ด้วยกันคือองค์แรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องก็เห็นเห็นเห็นความจริงของทุกนั่นเองว่าทุกนี้เกิดจากการมีความอยากสามประการกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วก็ทุกเกิดจากการกระทำบาปด้วย เวลาทำบาปใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีใจจะวิตกใจจะกังวลกับวิบากกรรมที่จะตามมาเกิดความกลัวขึ้นมานี่คือสัมมาทิฏฐิข้อข้อที่หนึ่งคือให้รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์ก็เกิดจากนี่แหละเกิดจากความอยากต่างๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆเพราะอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดไปเรื่อยๆ แต่ร่างกายมันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องถึงแก่ความแก่ความเจ็บความตายไปในที่สุดถ้ายอมรับได้ความทุกข์ก็จะหายไปถ้ายอมถ้ายังไม่ยอมรับความทุกข์ก็จะอยู่ในใจไปเรื่อยๆอนนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ดับไปก็ต้องใช้มรรคที่มีองแปดเป็นเครื่องมือในการหยุดความอยาก ถ้าไม่มีมรรคที่เป็นองค์แปไม่มีทางสายกลางไ ม, ม่ปฏิบัติทางสายกลางนี้ความทุกข์ในใจก็จะหมดไปไม่ได้ถึงแม้จะมีความเห็นที่ถูกต้องถึงแม้จะรู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากแต่ในขณะนี้ถ้าใจยังไม่มีเครื่องมือใจก็ยังจะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ใจต้องใช้ทางสายกลางนี้มาเป็นเครื่องมืออันนี้คือ ข้อที่หนึ่งของมรรคที่มีองค์แปดก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะนำไปสู่ความคิดที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสังกัปโปคิดอย่างไรถึงคิดว่าถูกต้องก็คิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปแล้วเพราะการทำบาปจะทำให้ใจทุกข์ต่อไปนี้เราจะหยุดความอยากต่างๆให้ได้ หยุดกามตัณหาความอยากเสพกลางหยุดภาวะตัณหาความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีภาวะทันหาความอยากให้ความแก่ความเจ็บความตายไม่เกิดขึ้นกับเราเป็นต้นต้องหยุดความคิดต้องต้องใช้ความคิดสอนใจต่อไปนี้อย่าไปอย่าไปทําบาปอย่าไปทําตามความอยากตา่างๆ เมื่อคิดแบบนี้ก็จะนําไปสู่การกระทําทางกายและทางวาจาก่อนทางกายก็คือจะมีการกระทําที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมากรรมโตมกข้อที่สามเรียกว่าสัมมากรรมโตคือการกระทําทางกายที่ถูกต้องเช่นการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ประพฤติจิตในการมการไม่ประ การไม่พูดปด่นการไม่ดื่มสุรายาเมาเป็นต้นเพราะการกระทําเหล่านี้จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ถ้าไม่มีการกระทําเหล่านี้ก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำการกระทําเหล่านี้ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิตในการมไม่พูดปด่นไม่ดื่มของมูลเมาความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการกระทําทาง ทางกายและทางวาจาก็จะไม่เกิดขึ้นข้อที่สี่ก็คือสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องก็คือการไม่พูดปดที่เมื่อกี้ได้รวมเข้าไปไว้ในสัมมากัรมันโตสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปดนะสำหรับถ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้รักษาศีลเป็นนักบวชก็ต้อง ม, ม, มีมีการพูดที่ถูกต้องอีกสามข้อด้วยกันก็คือการไม่พูดคำหยาบ การไม่พูดเพ้อเจ้อคือพูดไร้สาระแล้วก็การไม่พูดส่อเสียดคือการพูดยุโยงให้เกิดตามความให้เกิดความเกลียดชังกันถ้าเป็นนักบวดนี้จะไม่ใช้วาจาเหล่านี้เพราะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองและกับผู้อื่นได้นี่คือสัมมาวาจาคือมักข้อที่สี่การการพูดที่ถูกต้อง มาข้อที่ห้าก็คือสัมมาอาชีวโวคือมีอาชีพที่ชอบอาชีพที่ถูกต้องคืออาชีพที่ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นนั่นเองไม่ไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นรายได้เลี้ยงเลี้ยงชีพของตนเองหรือทำอาชีพที่ไปทำให้สินค้าที่เราค้าค้าขายนี้นาไปเกิดโทษกับผู้อื่นได้เช่นขายสุรายาเมา ขายยาเสพติดหรือขายเครื่องฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆขายเครื่องดักสัตว์เครื่องอะไรต่างๆที่เอาไปใช้ในการฆ่าผู้อื่นได้อาชีพเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะทํากันให้ทําอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นขายอาหารขายเสื้อผ้าขายยาขายที่อยู่อาศัยอย่างนี้เป็นอาชีพที่ที่ดีอาชีพที่ไม่ ทำให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นเมื่อไม่ทำให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์ก็จะไม่กลับมาตนเองนั่นเอง น, น, นี่ก็คือมรรคข้อที่5คือต้องมีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ชอบอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองแล้วทีนี้ก็ต้องมาสร้างมรรคเครื่องมือทางใจเพื่อมาหยุดความอยากหยุดการกระทาบาปให้ได้อย่างถาวร ก็คือต้องมาเจริญปฏิบัติสติและสมาธิด้วยการมีสัมมาวายามโมสัมมาวายามโ ม, ม, าาามโนี่คือความเพียรความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติทางสายกลางนี่เองเรียกว่าสัมมาวายามโมให้มีความเพียรที่จะมาเจริญสติให้เกิดสัมมาสติคือทำให้จิตมีความรู้สึกฝักแต่ว่ารู้หยุดความคิดต่าง เวลาจเจริญสตินี่สติจะคอยห้ามความคิดไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเวลาปล่อยให้ใจคิดใจก็มักจะไปคิดเรื่องที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองคิดตามอํานาจของกิเลสคิดตามความอยากต่างๆก็ต้องใช้สติคอยยับยั้งไว้จเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับแล้วในระหว่างวันช่วงที่ไม่ มีเวลาว่างก็ให้จให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบนิ่งทำใจให้รวมเป็นสมาธิเป็นฌานขึ้นมาพอเวลาใจมีความสงบมีฌานใจจะมีพลังที่จะไปใช้ในการหยุดความอยากต่างๆได้นี่ก็คือมรรคที่มีองค์แปหรือทางสายกลางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องมีมรรค คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกร ป, ปรความดำริชอบหรือความคิดชอบสัมมากรมมันโตการกระทําชอบการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องวาจาชอบสัมมาอาชีวมีอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายา ม, มมีความเพียรที่ถูกต้องเพียรจารันสติเพียรนั่งสมาธิ เพลินเจริญส ม, มาธิฏิอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่าสัมมาวายาโมแล้วก็สัมมาสติเจริญสติด้วยการมีคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็สัมมาส ม, มาธิพมีสติก็สามารถที่จะนั่งเฉยๆทําใจให้นิ่งสงบให้เป็นส ม, มาธิขึ้นมาได้พอใจมีคำมีส ม, มาธิมีอุเบกขา ใจก็จะมีกำลังหยุดความอยากต่างๆได้เวลาปัญญาพิจารณาค้นหาสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากชนิดไหนพอรู้ก็สามารถหยุดความอยากนั้นได้ด้วยสัมมาส ม, มาธิทันทีนี่แหละคือทางสายกลางที่เรียกว่ามรี่มีองค์แปดตอนที่พูุทธเจ้าทรงแสดงครั้งล่านี้ทรงแสดงทางสายกลางเพราะผู้ที่ฟังนี้เป็นพวกนักบวช กเป็นพระปัญจวัคคีที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิข้างในระดับฌานได้พอแสดงเรื่องเหตุของความทุกข์ก็เกิดจากความอยากเกิดจากการกระทำบาปพวกนักบวชที่ฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้แล้วพอฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งทรงแสดงเรื่องปัญญา ว่าขันห้าคือกายกับใจนี้เป็นอนัตตาไม่ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายไม่มีตัวตนอยู่ในใจใจเป็นธาตุรู้ร่างกายเป็นธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยให ร่างกายและใจเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาคราวนั้นก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรานี่คือทางสายกลางก็คือมรรคแปดมรรคที่มีองค์แปดต่อมาเวลาที่ทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงบางครั้งก็สรุปลงเป็นสามข้อมรรคแปอเอามารวมกันเป็นสามข้อเรียกว่าไตรสิกขา ปลาสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ศีลก็คือสัมมากมัมโตสัมมาวาจาสัมมาชิวนี่อยู่ในกลุ่มของศีลสมาธิก็คือสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปก็เป็นทางสายกลางเช่นเดียวกันคือมรรค แต่เพียงแต่ว่าเวลาแสดงธรรมบางครั้งอาจจะต้องรวบลัดก็เลยแสดงโดยย่อมรรคแปดก็เลยมาเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วต่อมาเวลาไปแสดงธรรมให้กับคารวสคู่ครองเลือนก็ทรงแสดงเป็นทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี้ก็เหมือนกับไตรสิกขาต่างกันตรงที่มีข้อทาน เพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี่เองสมถะภาวนาก็คือการเจริญสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาก็ยังเป็นทางสายกลางอยู่เช่นกันต่างกันตรงที่ว่าการวาสผู้ครองเรือนี้ยังมียังใช้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง เป็นเครื่องมือดับความทุกข์อยู่ก็ส่งสอนว่าวิธีที่จะใช้เงินทําดับความทุกข์นี้ต้องเอาไปทําบุญทําทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถทําให้ความทุกข์ทางใจนี้เบาบางลงได้แต่ยังไม่สามารถดับได้อย่างถาวร อ, อย่าเอ า, เ อ, าอย่าเอาเงินอาทองนี้ไปดับความทุกข์ด้วยการไปซื้อกามมาสุขมาเสกอย่าไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆมาเสกกัน อย่างคนทางโลกที่เขาหาดับความทุกข์ด้วยการใช้กามาสุขนี้เขาต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือต้องหาต้องมีเงินทองถึงจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปซื้อของอะไรต่างๆมาให้เกิดความสุขใจได้แต่มันเป็นความสุขใจเดี๋ยวเดียวไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวรแล้วการใช้เงินนี้ในแบบนี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่ง เาจะต้องทุกข์กับการหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆหามาแล้วก็เอามาใช้ดับความทุกข์ดับได้ชั่วคราวพอเงินหมดก็ต้องไปไปทุกข์กับการหาเงินหาทองใหม่การใช้เงินทองมาเพื่อดับความทุกข์เลยกลายเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้ามีเงินมีทองอย่ า, อาไปใช้แบบนั้นถ้าอยากจะใช้เงินทองเพื่อให้ดับความทุกข์หรือให้เกิดความสุขใจขึ้นมา แบบที่ไม่มีโทษก็คือเอาไปทําบุญทําทานนะยังมีเวลาสอนคารวะญาณโ ย, ยมจะมีข้อให้ทําทานขึ้นมาแต่เวลาสอนพวกนักบวชนี่ไม่ต้องสอนเรื่องทานเพราะนักบวชเขารู้แล้วว่าเงินทองนี้เป็นเป็นปัญหาไม่ใช่เป็นข้อข้อแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นเครื่องมือแก้ปัญหานะนักบวชเขาก็เลยไม่มีเงินทองกันไม่ใช้เงินทองกัน ก่อนจะบวชเขามีเงินทองเท่าไหร่เขาก็ต้องสละไปให้หมดทำทานไปให้หมดพระพุทธเจ้าก็ต้องสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชแล้วก็อยู่แบบขอทานอยู่แบบคนที่ไม่มีเงินมีทองจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆเพราะการใช้เงินทองมาดับความทุกข์ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ก็เลยต้องเลิกใช้เงินทอง ถ้าคารวายญาโยมนี้ยังใช้เงินทองใช้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์อยู่ก็ให้เปลี่ยนมาใช้ด้วยการทําบุญทําทานแทนเวลาทำบุญทําทานใจก็จะมีความรูส้สึกสุขใจขึ้นมาเวลาเกิดความเศร้าโศกเสียใจใเวลาเกิดความสูญเสียเวลาเกิดความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาเอาเงินไปทําบุญทําทานแล้วก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นเพียงแต่ว่า ทานนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวรอากจะเป็นบันไดที่จะพาให้ไปสู่การดับความทุกข์ทางใจขั้นต่อไปก็คือการรักษาศีลการภาวนาได้ถ้าไม่ทำบุญทำทานนี้โอกาสที่จะมารักษาศีลมาภาวนานี้แทบจะไม่มีเลยคนที่มัวแต่หาเงินเพื่อเอาเงินมาใช้ดับความทุกข์นี้เขาก็จะวนเวียนอยู่กับการหาเงินใช้เงินไปเรื่อย เขาจะไม่มีเวลาที่จะมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนาได้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนคารวะถ้าต้องการที่จะเดินทางสายกลางนี้เพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการทำทานต้องการต้องเริ่มต้นด้วยการเสียสละข้าวของเงินทองอยากเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมา พ่ามันเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดยาเสพติดนี้อาจจะทำให้ผู้เสพมีความสุขชั่วขณะที่เสพแต่พอมิติของยาหมดไปความสุขนั้นหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความติดยาเสพติดก็จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้เสพมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาการใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขมาก็เช่นเดียวกันเวลาได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็มีความสุขดี พอเวลาเงินหมดไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่มไม่ได้ไปดูไปฟังอะไรไม่ได้ต้องอยู่บ้านเฉยๆก็เกิดความเหนาเกิดความเศร้าเกิดความว้าเหวขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเป็นการสร้างความทุกข์โดยไม่ไม่รู้สึกตัวคิดว่าการใช้เงินทองเพื่อมาดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขต่างๆนี้แทนที่จะเป็นการดับความทุกข์กับเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาต่อไปอย่างไม่รู้สึกตัววิธีที่จะ ดับความทุกข์ด้วยเงินทองแล้วทำให้ใจไม่มีความทุกข์ก็คือเอามาทมําบุญทําทานเพราะการทําบุญทําทานนี้ไม่เป็นยาเสพติดทําเท่าไหร่ก็ไม่ติด mm hmm. เวลาไม่มีเงินทําก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน mm hmm. แต่เวลาแต่เวลาที่เอาเงินไปซื้อความสุขนี้เป็นเหมือนการซื้อยาเสพติดซื้อแล้วต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเงินซื้อก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่เวลาทำบุญเวลาไม่มีเงินทำบุญไม่ได้ทำบุญก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นนะถ้าได้ทำก็จะเกิดความสุขขึ้นมนาะแล้วความสุขที่เกิดจากการทำบุญนี้ยังฝังอยู่ในใจไปเรื่อยๆด้วยเวลาใดที่เราคิดถึงความสุขที่เราได้ถึงถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาในอดีตความสุขใจก็ยังเกิดขึ้นได้เช่นปีที่แล้วเราไปบริจากเงินทองที่วัดนั้นที่วัดนี้ทำนู่นทำนี่พอเราคิดถึงบุญที่เราทำ ความสุขใจมันก็ยังอยู่ในใจของเราอยู่มันก็ทําให้เรามีความสุขใจขึ้นมานี่คือขั้นต้นของการเจริญมรรคสาหรับผู้เป็นฆราวาสต้องเจริญด้วยทานก่อนแล้วถึงไปศีลสมาธิปรรัญญาสมาธิปัญญาก็คือการภาวนาสมถะภาวนาก็ภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิวิปัสสนาปรราัญญาวิปัสวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญ วิปัสนาเพื่อให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันนั้นนี่คือทางสายกลางที่พระเจ้านํามาสอนมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันทางสายกลางที่เป็นมรรคที่มีองค์ 8, แปดแสดงให้กับนักบวชอย่างละเอียดแล้วต่อมาก็สแสดงโดยย่อเป็นไตสิกข า, ตาไตแปลว่าสามสิกขาก็คือข้อศึกษาข้อศึกษาสามข้อที่ต้องศึกษาเพื่อนํามาไปปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญา แล้วต่อมาก็มาสอนคารวะญาติโยมผู้ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองผู้ยังอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทางใจอยู่ก็สอนให้เอามาใช้เงินทองดับความทุกข์ทางใจที่ถูกต้องด้วยการเอาไปทําบุญทําทานอย่าเอาไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะนั้นเป็นการสร้างความทุกข์โดยไม่รูเสร็จตัวเพราะเป็นยาเสพติดพอเสพยาเสพติดแล้วมันจะติด เวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงศึกษาได้ท่งปฏิบัติได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของพระ อ, องค์หลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพระ อ, องค์ก็อุทิศเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ตลอดระยะเวลาอีกสี่สิบห้าปีด้วยกันนำธรรมคือทางสายกลางนี้มาเผยแร่ สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจยามบ่ายก็สอนให้คารวะผู้คองเรือนตอนค่ำก็สอนให้ภิกษุภิกษุณีนักบวชยามดึกก็สอนให้พวกเทวดาแล้วยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาตก็ทรงเร่งยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นคนในกรณีที่บุคคลนั้นพร้อมที่จะรับคําสอนแต่อาจจะมีภัย มีอาจมีอะไรที่อาจจะทําให้ถึงแก่ความตายขึ้นมาก็<ม>จะมุ่งไปปลดคนนั้นก่อนในวันนั้น<ม>ตลอดระยะเวลาสีสิบาปีนี้ทรงสอนธรรมะคือทางสายกลางนี้ทั้งนั้น<ม>บางครั้งก็สอนเรื่องทานอย่างเดียวบางครั้งก็สอนเรื่องศีลอย่างเดียวบางครั้งก็สอนเรื่องสมาธิอย่างเดียวบางครั้งก็สอนเรื่องปัญญาแล้วแต่บุคคล แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ท, ทุกคำพูดนี้จะเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นเป็นเรื่องของทางสายกลางทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอย่างถาวรองจึงไม่ทรงสอนอย่างอื่นสอนวิธีการดับทุกข์ทั้งนั้นทรงตรัสว่า คำสั่งคำสอนของพระองค์นี้ถึงแม้จะมีมากมายเหมือนกับน้ำในมาหาสมุทรน้ำในมาหาสมุทที่มีที่ใหญ่ใหญ่ไพศาลนี้ก็มีรสชาติอย่างเดียวกันก็คือรสของความเค็ ม, มไปที่ทะเลไหนก็ตามลองไปหากขึ้นมาดืด่มดูก็จะรู้ว่าเป็นรสมีรสเค็มเหมือนกันดัง<ม>นั้ น, นคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้มีต้องหลากหลายเพระรงแสดงไว้มากมาย แต่ก็มีเนื้อหาสาระอย่างเดียวกันเท่านั้น่อสอนเรื่องทางสายกลางทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีเรื่องอย่างอื่นที่จะ น, นมามาสอน <c oughs> ว่าไม่มีอะไรที่จะร้ายกาจต่อจิตใจเท่ากับความทุกข์ของใจ <c oughs> ต่อให้มีเงินทองมากมายกายกองต่อให้เป็นใหญ่เป็นโต <c oughs> ต่อให้มีคนยกย่องรรเสรเสเงินยอ จะให้มีความสุขจากโูคเสียงจิ่ตลดมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีมัชไม่มีทางสายกลางนี้ก็จะไม่สามารถกําจัดความทุกข์ทางใจได้เป็น เ, รเนรศรษฐีก็ยังต้องมีความทุกข์ทางใจอยู่เป็นพระราชามหากษัตริ ย, ะะ ย, ย์ก็ยังต้องมีความทุกข์ทางใจอยู่เป็นผู้ที่มีได้รับรางวัลเยื่สารเสริญเยือนยอก็ยังต้องมีความทุกข์ทางใจอยู่ผู้ที่มีเศษมีสิ่งที่ ให้เสพคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เสพอยู่มากมายกายกองก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ทางใจอยู่เสมอไปนันหน้าที่ของผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยังไม่ใช่เป็นการไปหาราบยศสารเสินสุขมาดับกันเพราะดับไม่ได้หรือจะไปทรมานตัวเองด้วยวิ ธ, ธีการต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นการกินเจนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร การกินเจก็ไม่สามารถนําไปดับความทุกข์ทางใจได้ถ้าถ้ากินเจแล้วดับความทุกข์ทางใจได้พวกวัวควายเขาก็ไม่มีความทุกข์ทางใจกันไปหมดแล้วแต่ทรมานร่างกายไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกินได้ของที่จะกินเขอให้มันเป็นของตายแล้วก็แล้วกันเนื้อสัตว์ต่างๆที่เขาเอามาทําเป็นอาหารนี้ขอให้เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่า สัตว์สัตว์เหล่านั้นเราก็ไม่บาปนะแต่ถ้าเราไปสั่งเขาให้มาฆ่าสัตว์นี้เพื่อมาทำเป็นอาหารเช่นร้านอาหารต่างๆที่มีปลาที่อยู่ในตู้เนี่ยแล้วก็คนให้คนขายให้คนที่ไปรับประทานอาหารชีบ้บอกจะเอาปลาตัวไหนเขาก็จะตักปลาตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ฆ่าแล้วก็ทำเป็นอาหารอย่างนี้เรียกว่าบาปการการกินแบบนี้กินเนื้อสัตว์แบบนี้บาป แต่ถ้าไปซื้อสัตว์เนื้อส oh, so so ัตว so ์ที่ตายแล้วที่ขายในตามท้องตลาดต่างๆนี้แล้วเอามาทํากับข้าวกับปลากินนี้ไม่บาปเพราะมันเของมันตายแล้วแล้วมันไม่ได้เกิดจากการกระทําของเราเราไม่ได้ทําเองก็ดีไม่ได้สั่งให้เขาทาเราทําให้เราก็ดีอย่างนี้เราจะไม่บาปกินหรือไม่กินก็เหมือนกันกินเจหรือไม่กินเจก็เท่ากันเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการทําบาปเหมือนกันบางคนเขาก็บอกว่า การกินเจนี่จะช่วยลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการตายของสัตว์ได้มันก็ลดไม่ได้สัตว์ทุกตัวที่เกิดมามันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนจะมีคนฆ่าหรือไม่ฆ่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายเหมือนกันถ้าอยากจะแก้ไม่ให้มีการตายก็ต้องแก้ที่การไม่มาเกิดเท่นั้นเองถ้าทําให้สัตว์ทั้งหลายไม่มาเกิดได้ก็จะไม่มีความตายตามมาแต่ถ้ามาถ้ามาเกิดแล้วมันก็ต้องมีความตายตามมาด้วยกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็ตามนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้แก้ด้วยการไปกินเจไ ป, ไปสนับสนุนไปห้ามไม่ให้คนอื่นเขาไปไปกินเนื้อสัตว์อันนี้ไม่ได้ห้ามความตายของสัตว์ได้สัตว์ที่เกิดมาทุกตัวก็ยังต้องตายอยู่เหมือนเดิมวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ก็สอนให้คนที่เป็นคนอยู่ตอ น, นี้อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพอย่าเงี่ย ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้จะทําให้เวลาตายไปล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์กันอย่าไปทำอาชีพเหล่านี้และท า, ท, าทางทางที่ดีก็อย่า ก, กลับมาเกิดเลยจะดีกว่าให้มาปฏิบัติทางสายกลางกันเพื่อ ย, ยุติความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปจะดีกว่าเพราะถ้าสามารถหยุดควาหยุดการเกิดได้ก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอีกต่อไป วิธีแก้ปัญหาต้องแก้ไปที่เหตุอย่าไปแก้ที่ความรู้สึกคนที่กินเจคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็บอกว่าจะช่วยให้สัตว์ไม่ต้องตายอใช่อาจจะไม่ตายด้วยการถูกผู้อ่นฆ่าก็ตามแต่มันก็ต้องตายอยู่ดี <c oughs> เพราะว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ <c oughs> ถ้าไม่อยากให้มีความตายทางเดียวเท่านั้นก็คือการ การหยุดการเกิดให้ได้เพราะถ้าหยุดการเกิดได้แล้วก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายตามมาอย่างแน่นอนเนี่ยวิธีธที่ที่แก้ที่ถูกต้องต้องแก้แบบพระพุทธเจ้าแก้ด้วยทางทางสายการนี้ถ้าปฏิบัติทางสายการได้นี้จะหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วพอไม่มีความอยากอยู่ในใจอยู่แล้ว เวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้าใจไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสผลสะพ้าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่ยังต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยเพราะยังมีความอยากจะเสบรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆอยู่อย่างศัทธายาโยในขณะนี้ทุกคนนี้ยังเสพกามอยู่ฉะนั้นยังเสบรูปเสียงกดลิ่นรสผสะพ้าอยู่ นะนะความอยากที่จะเสพโน้ตเสียงกลิ่นรสเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่จะพาให้ญาติโยมต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกอยู่กับการกินการอยู่ไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องมาหยุดความอยากต่างๆให้ได้การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติทางสายกลางนี้ทางแห่งทางนศีลภาวนา เงต้นก็ทานศีลภาวนาพอไปบวชก็กลายเป็นไตสิกขากลายเป็นศีลสมาธิปัญญาไปภาคปฏิบัติทางสายกลางนี้ได้อย่างสมบูรณ์ทำลายความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเหวียนว่ายตายเกี่อีกต่อไปทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นทางสายกลางทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ทางอื่ น, นี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกขหลุดพ้นจากความตายได้แต่ให้คนทั้งโลกกินมังสวิรัต ก, กินเจกันทั้งโลกก็ยังต้องกลับมาเกิดกันอยู่ดี<ม><ม>เพราะการกินเจไม่ได้ห้ามให้ไม่ให้ไปเสพกามคนกินเจก็ยังอยากจะเที่ยวอยากดูหนังฟังเพลงอยู่เหมือนเดิ ม, ม, มเหตุที่พามาให้เกิดก็คือความอยากเสพกามต่างหาก ถ้าไม่อยากจะให้มีความตายเกิดขึ้นในโลกนี้<ม>ก็ต้องยุติการเกิดให้ได้าการจะยุติการเกิดให้ได้ก็ต้องยุติความอยากที่มีอยู่ในใจคือการมาตัญหาความอยากเสื่ลูกเสียงกลิ่นลดผลตภะภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างหาอันนี้แหละจะเป็นเครื่องเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแก้ไม่ให้เกิดมีความตายต่อไป แต่ถ้าเรายังหยุดความเกิดยังหยุดการเกิดไม่ได้ความตายมันก็ยังจะตามมาอยู่เรื่อยๆนี่คือวิธีแก้ปัญหาเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้แล้วถึงจะรู้ว่าความตายเกิดจากอะไรความตายก็เกิดจากการเกิดแล้วการเกิดจะเกิดจากอะไรการเกิดก็เกิดจากความอยากอยากมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็เลยต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าสามารถปฏิบัติทำจนกระทั่งสามารถทาใจให้หยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงติดเลืโผล่ทะพ้ได้ใจก็ไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องมีเครื่องมือเพราะเมื่อไม่มีความอยากจะดูอยากจะฟังก็ไม่มีจำเป็นจะต้องมีตามีมหูไม่ดูไว้ฟังสามารถหยุดถ้าหยุดความอยากได้ก็หยุดการเกิดได้ถ้าหยุดการเกิดได้ก็จะหยุดการตายได้ แต่วิธีอื่นนี้ไม่มีไม่มีทางที่จะหยุดความตายได้มันก็จะกลับมาเกิดมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเหตุที่พามาให้เกิดมาตายนี้ไม่ได้ถูกกําจัดมันและวิธีกําจัดวันที่ถูกตั้งก็มีทางเดียวเทนั้นที่เรียกว่าทางสายกลางทางแห่งมรรคแปดทางแห่งตายศิกขาทางแห่งทานศีลภาวนาไม่มีทางอื่นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาที่ถูกตั้งนี้ ต้องแก้ตามที่พุทธเจ้าได้ส่งแก้พระพุทธเจ้าก็ส่งแก้ด้วยการเดินทางสายกลางด้วยการสละราชสมบัติให้ทานทำบุญทำทานเพราะรู้ว่าการใช้เงินทองดับความทุกข์ทางใจนี้ดับไม่ได้แล้วก็มาศึกษามาปฏิบัติมาเจริญปัญญา<ม>ดนกระทั่งดัสรูพระ อ, อริยสัจ ส, สี่มรแปดขึ้นมาก็สามารถทาให้พระไถยหรือหัวใจของพุทธเจ้านี้ หลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลังจากที่ได้หลุดพน้นแล้วก็นํามามาเผยแผ่สั่งสอน ท, ทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้พวกเรากินเจกันก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่มีมันไม่ใช่เป็นทางที่นาไปสู่การสิ้นสุดของความตายสิ้นสุดของความทุกข์ได้นั่นอเองกินเจไม่กินเจมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่ฆ่าหรือไม่ฆ่าต่างหากถ้าฆ่ามันก็จะทําให้เกิดออความ ความตายขึ้นเมาถ้าเราไม่ฆ่ามันก็ไม่มีความตายแต่มันก็ยังต้องตาย อ, อยู่ดีถ้าถาต้องการไม่ให้มีความตายเลยก็ต้องหยุดที่การมาเกิดต่างหากการจะหยุดที่การมาเกิดก็ต้องทําทานรักษาศีลภาวนาไปเท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจต้องหลุดพ้นด้วยการ ศึกษาในเบื้องต้นก่อนศึกษาให้รู้ว่าทางที่จะทําให้เราหลุดพ้นนี้คืออะไรกันแน่ mm hmm. เมื่อเราได้ศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้นํามาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและแหล่งที่ถูกต้องที่สุดผู้ที่รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่รู้จักวิธีการปฏิบัติทางสายกลางนี้ mm hmm. ก็ไม่มีใครนอกจากพระพุทธเจ้าและพระ อ, อ, อริยสงสารกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง นี่คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเรา<ม>อย่าไปถือคนอื่นเป็นสถาณะเป็นนันขาดเพราะถ้าให้คนอื่นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจา้าไมไ่ไม่ใช่เป็นพระอริยสง์สาวกนี้<ม>เขาจะไม่รู้จักทางที่นําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง<ม>เขาก็จะสอนไปแบบตามภาษีภาษาของเขาแต่ไม่สามารถนํามาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้ ผู้ที่จะสอนให้ดับความทุกข์ทางใจได้ต้องเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจแล้วจากการปฏิบัติของของตนเองก่อนคือพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจพระพุทธเจ้าก็นำมาเอาความรู้ที่ได้ปฏิบัตินี้มาสอนพอสอนให้กับผู้ที่สนใจพอเขานํามาไปปฏิบัติเจริญทางสายกลางได้เขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ กลายเป็นพระ อ, อริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาหลังจากที่บรรลุเป็นพระสงสารวกของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ช่วยพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้กับผู้อีกทอดหนึ่งนี่คือการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ทำกันมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็คือยุคที่มีพระพุทธเจ้าทรงตัดสร้ทรงแสดงธรรมเผยแผ่ให้กับสัตว์โลก พอผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมนํำมาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พอมีความรู้อย่างถูกตั้งแม่นยําก็นํามาใบเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้อื่นผู้อื่นพอได้ศึกษาและนํามาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันอันนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดพระพุทธเจ้านี้ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ยังไม่ค้นพบทางสายกลาง แล้ ว, วิธีที่ทรงเรียนรู้ก็คือวิธีจับความทุกข์ด้วยการเข้าสมาธิก็ยังไม่สามารถสอนให้ผู้อ่นนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรหลุดได้แบบชั่วคราวก็คือหลุดแบบขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอกจากสมาธิมาความอยากต่างๆก็จะโผล่กลับกลืนขึ้นมาอีกและเวลาตายไปความอยากนี้ก็จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ประกาศไม่สอนใครเพราะรู้ว่ายังไม่ใช่เป็นทาง ที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์แต่พอหลังจากที่ได้ใช้การวิเคราะห์พิจารณาด้วยปัญญาจนได้ค้นพบพระอริยสัจ ส, สีค้นพบทุกสมุทัยนิโรธมาค้นพบตายรักอนิจจทุกขังอนัตตาแลาทรงเห็นว่าความรู้เหล่านี้สามารถนาให้นาพาให้การปฏิบัติของท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างิ้นเชิง พอสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไปได้พอหลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงค่อยมาประกาศพระพุทธศาสนามรรประกาศคําสอนให้กับผู้นึ้จึงมีจึงมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาเมื่อมีภาษาวกผู้ที่มาฟังธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามกันมาก็มีองค์สามที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของพระพุทธศาสนาก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ต้ า, ตาบใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระอริยะสงฆ์อยู่ในโลกนี้ตามนั้นก็ยังมีการสอนทางสายกลางอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าตา่าใดถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วทางสายกลางก็จะหมดไปผู้ที่จะต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าจะค้นพบทางสายกลางได้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถทํากันได้ทุกคน ยกเว้นคนที่มีบา ร, รมีสูงเช่นพระโพธิสัตว์เท่านั้นถังจะสามารถมาศึกษามาวิเคราะห์มาค้นพบทางสายกลางใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาของพวกเหล่านี้ก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆเพราะความสนใจในการปฏิบัติทางสายกลางนี้ก็จะมีลดน้อยลงไปเรื่อยๆออออมันมีสามการปฏิบัติมีสามาสามขั้นทานศีลภาวนา ถาดูจากคนที่ปฏิบัติสมัยนี้คนที่ภาวนานเดี๋ยวนี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆคนที่รักษาศีลก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆหรือแต่คนที่ทำบุญทาทานแต่ไม่ยามรักษาศีลไม่ภาวนากันถ้าต่อไปไม่มีการทำทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการภาวนาก็จะไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีพระฤาษยะสงสารโลกมาเผยแผ่สั่งสอน ถึงแม้จะมีพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะอ่านเพราะจะถูกอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆดึงให้ไปหาความโศกจังอยากทักจากล า, า, า, า, าบยศสรรเสริญกันต่อไปศาสนาเราก็จะหายไปมีแต่ซากของศาสนาคือมีวัดมีพระพุทธรูปมีอะไรต่างๆแต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมา เมื่อไม่มีแล้วต่อไปศาสนาก็จะหมดไปพระพุทธเจ้าทรงทานายไว้ว่าอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปี mm hmm. นี่ก็มาได้ครึ่งทางแล้วค mm hmm. วามสามารถในการปฏิบัติก็น้อยลงาอาลัยบุคคลที่มาบรรลุ ธ, ธรรมก็มีจำนวนน้อย mm hmm. น้อยกว่าในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสแสดงธรรมยุคที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมนี่มีพระอริยสงสารงเต็มไปหมด mm hmm. เพียงแต่เจ็ดเดือนแรกที่ทรงสอนนี้ ก็มีพระอรหันตสาวกอย่างน้อยก็หนึ่งันสองร้อยห้าสิบรูปปรากฏขึ้นมาแล้วสมัยนี้เราหาได้ไหมพระพระอรหันตสาวกหนึ่งันสองร้อยห้าสิบรูปนี่แสดงถึงความเจริญของความเสลิมของพระศาสนาวัดได้ด้วยจํานวนของพระอริยบุคคลหรือพระอรหันตสาวกเนี่ยยุคของพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นยุคที่เจริญอย่างยิ่งมีพระอริยสงสาวกมีพระอรหันตสาวกมีเป็นจํานวนมาก แต่มาถึงสมัยนี้เกือบพุทธกาลแล้วจำนวนของพออะระอาลาันตสาวกนี่ไม่รู้จะมีถึงหนึ่งพันสรอห้าสิบรูปหรือไม่นะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะอันนี้เราโชคดีมาเกิดได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาเจอผู้นำผู้สอนทางสายกลางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้เรารีบศึกษารีบปฏิบัติกันเพราะเวลาของเล่านี้มันอาจจะหมดไปได้ทุกเวลานาที ชีวิตของเรานี้มันเหมือนกับแขวานอยู่บนเส้นได้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่ไปคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงอายุแปดสิบปีเก้าสิบปีคนที่ตายวันนี้ก็มีอยู่เขาก็ไม่คิดว่าเขาจะตายกันในวันนี้ก็มีอยู่ทุกวันตายได้มีทุกอายุด้วยตายตั้งแต่เกิดมาคลอดมาหนึ่งวันตายก็มีห้าวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีมีตายอยู่ทุกทุกอายุไขั งั้นอย่าประมาทให้เรารีบหาเวลามาศึกษามาปฏิบัติกันเพราะถ้าเราพลาดโอกาสนี้แล้วคราวหน้าที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปถ้าไม่มีเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นได้ด้วยตนด้วยตัวของเราเองเราก็ต้องรอให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่หรือไม่ ตอนนี้เราได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์เก่าแล้วขอให้เรารีบมานร่งศึกษาจากพระพุทธเจ้าองค์เก่ากันดีกว่าแล้วเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาของเราได้ปัญหาของความทุกข์ใจที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เมืม่อเราพ้นแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เคยแบกมาเป็นเวลาเวลาอันยาวนานมันก็จะหมดไป นี่คือประโยชน์ของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในายกนี้ในยนุคนี้ในสมัยนี้ถ้าเรารีบไม่รีบฉ่วยโอกาสเสียถ้าเกิดเราตายไปก่อนโอกาสหน้าเรากลับมาเกิดแล้วอาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนายิงแล้วก็ได้ <c oughs> จึงของให้เราอย่าประมาทนี่เดินทางเดินตามทางสายกลางนี้กันทุกคนเถิดแล้วการการหลุดพ้นจากความทุกข์ รหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังกลุ่มหังคิปเมวะสมิจฉตุ สัพเพปเรนตุสังคปายันโทปนาราสสยถามณิโชติระสสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรควินัสตุมาเตภวตตะวันตรลายโสุขีทีขายุโกภวา พิวาทะนสีนิสะนิจังมุทธาปจายนิโนจตารโธรรมะวะัานตตอายุวันโนสุขังฮาลาังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม <c oughs> ใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหรนน่มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสา8ร้อยสาสิบด YouTube พระสุชาติไลฟ์สา5ร้อยห้าสิบห้า YouTube Dr V Channel สี่ิบเจ็ด Vithyu Online สิบสอง Clubhouse สผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิสองร้อยเจ็ดท่านรวมทั้งหมดเก้าร้อยหกสิบสองครับ หนูอยากจะถามอะไรพูดได้เลยจ้าพูดได้เลยอาพูดเลยอาพูดจ้าอยากจะถามอะไรสวัสดีค่ะอรู้ชื่ออะไรจ้ชื่ออะไรเร็วทำไมไม่ไม่ถามล่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนก็ได้ <c oughs> เ, ดเดี๋ยวอยายกจะถามว่าให้ถามรังพ่อคะทำไมแม่ชีถึงรักษาสินน้อยกว่าพระอ๋อพ่อแม่ชีเขาทําผิดน้อยกว่าพระทำผิดมากกว่าก็เลยต้องรักษาสินมากกว่าแม่ชีเขาทาผิดน้อยกว่าเขาก็เลยไม่ต้องทันรักษาสินมากเข้าใจัหย ถ้าหนูทําผิดก็ต้องมีศีลมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะห้ามแม่หนูทํานั่นแม่หนูทํานี่ถ้าหนูไม่ได้ทําผิดก็ไม่มีข้อห้ามไม่มีเก็ไม่มีศีลอาจาใจไหมอ่ามีไหมอยากจะรู้อะไรอีกอยากจะเป็นแม่ชีไหมเราก็อยากจะเป็นแม่ชีไห ม, ม, มหลวงพ่อคะถ้าเราจะไปเป็นแม่ชีต้องทํำยังไงอ๋อ หนูก็ต้องกนหัวไงกนหัวแล้วก็ถือศีลสิบศีลแปดทำได้ไหมแล้วถ้าแม่ชีรักษาศีลเท่ากับเราเท่ากับหนูเลยก็หนูก็ต้องรักษาศีลเท่ากับแม่ชี <c oughs> ถึงจะเป็นแม่ชีได้ <c oughs> อันนี้หนูมีศีลไหม <c oughs> หนูมีที่ศีลกี่ข้อหนูหนู หรือข้าศัตหรือเปล่าห้าห้าข้อแต่ถ้าพระรักษาศีลห้าข้อเหมือนเราล่ะฮะถ้าพระรักษาศีลห้าข้อเหมือนหนูเลยก็ไม่ใช่เป็นท้าเลยก็เป็นคนแหละอก็เป็นเหมือนหนูอถ้าหนูตารักษาศีลแค่ห้าข้อหนูหนูตาก็เป็นเหมือนหนูโอเคนะเก่งมากนะมีคําถาม นานจะมีเด็กตัวเล็กๆมาถามคําถามต่อไปคงะจะเจริญทางธรรมนะสนใจมีความสนใจอย่างจะรู้ดีผมญาติกับนักศึกษาเรียนถามพระอาจารย์เขาเนื่องจากคำถามมันยาวแล้วรายมือหนูวัดมาเขาดังๆก็ร้อกันขึ้นนะกับนักศึการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเออ ข้อหนึ่งค่ะการที่เวลาเราไปปฏิบัติธรรมตามวัดพระอรหันต์แต่ละที่แต่ละองค์ค่ะที่ท่านมีญาณทัศนะแล้วก็ตาใจเงี้ยแต่ว่าพอไปเงี้ยแบบบางคําถามเงี้ยเรื่องข้อปฏิบัติธรรมหรือว่าปัญหาชีวิตนะคะเราอยากจะถามมาทั้งชีวิตเลยแต่ว่าเราอลืมอะคะ่ะเราแต่ว่าเวลาปฏิบัติกับท่านอะเรามีความสงบความก้าวหน้าทางใจิตใจดีอะคะ่ะอย่างเงี้ยก็คือว่าแบบ มันเป็นเหมายความว่ามันเป็นบุญหรือว่าแบบเรามีกรรมมาบังนะคะการที่เราลืมคำถามนั้นแต่ว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าดีใจเราสงบดีค่ะแต่ว่ากลับไปแล้วก็เสียใจว่าเออไม่ได้ถามเลยอะไรเงี้ยอ๋อบางทีเราก็ลืมได้หรือบาโอกาสไม่อํานวยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ถามคราวนี้คราวหน้าค่อยถามใหม่ก็ได้แต่แต่ถ้าแรกกันนี้แบบผลของการเก้าหน้าแบบปฏิบัติธรรมจะดีกว่าการที่เราถามหรือเปล่าะค่ะคือถ้าปฏิบัติธรรมโดยถูกต้องก็ไม่ต้องถามแต่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่แน่ใจก็ต้องถามว่าถูกหรือเปล่า แล้วข้อสองอะค่ะแบบเออเห็นคนที่เขารวยจากการแบบขายพวกยังไงอะฆ่าสัตว์แล้วก็แปรรูปอะไรเงี้ยค่ะแบบแล้วเขาก็รวยมากเงี้ยส่งออกขยายไปเรื่อยเงี้ยเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสงสารเขาอะแต่เราคิดว่าถ้าเกิดเราไปบอกเขาว่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าก็คือพระราหนแต่ละองค์อะท่านก็สอนว่าห้ามฆ่าแล้วก็ห้า ม, า ม, มถ่งเสริมการฆ่าด้วยเงี้ยก็คือว่าถ้าเกิดเราเราไม่แนะเขาอะค่ะเราจะบา ป, รปหรือเปล่าคะให้บาปบเป็นเรื่องของเขา เขาไปพูดตัดสินใจ<า>ทำเองสองสารเขาค่ะแบบอย่างบางคนเขาแบบลูกเขาไปคนแนะนำได้ว่าเออเนี่ยเรียกอันนี้สิแต่หลังเขาก็รวยแล้วก็แล้วก็มองเขาก็โอดสองสารจาังเลยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าจจะบออกไปเเเ้าาางงม่่แแตตทถ้าบอกไปเขาคงไม่เชื่อเขาคงจะโกรธเราด้วยอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็รู้สึกว่าโอ้ยก็ไม่ถามเราอย่าไปบอกเขาดิใช่ใช่แต่ก็รู้สึกแบบ สงสารยริงเลยแล้วแต่สมมติถ้าเกิดเรามีความรู้ด้านอาหารเนี้ยสมมติว่าเราไปรับจ้างแบบคิดสูตรอาหารมาให้เขาเอาเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นอุทิศบางศาสอย่างเงี้ยเราจะบาปหรือเปล่าคะแล้วเราควรจะเลี่ยงดีไหนถามใหม่เลยเอ่อคือเราเรียนมาทางด้านอาหารนะคะแล้วก็สมมติว่าเราเป็นรับจ้างคิดสูตรอาหารมาให้เขาาเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นอุทิศบางศาสอย่างเงี้ยเราจะบาปหรือเปล่าคะหรือว่าเราควรจะเลี่ยงไปเลยคะไม่ไม่ทำตรงนี้ทีโดยถ้ามันนําไปสู่การฆ่าก็ไม่ควรทำหนูก็คิดว่าเพราะว่าก็เป็นฟร์มแล้วยังงไเราก็คงอย่าง้แแหลละวควรจะเีียกว่าใ่ก็คะ ใช่ ค, ค่ะแล้วก็ข้อสามนะค่ะแต่มากราบองค์หลวงพ่อครั้งแรกเรดีใจค่ะทั้งจะหัวเราะทั้งจะร้องไห้เลยแบบดีใจสุดๆแล้วก็ไม่รู้ชีวิตจะได้มาอีกหรือเปล่าก็แล้วก็ข้อสองนะคะก็คือเออสามจุดสองค่ะคือตอนแรกค่าน้อยมาตั้งใจจะเร่งบาเพ็ญปฏิบัติอย่างเดียวค่ะแล้วแต่ว่าวันนี้เห็นหนังสือธรรมะในห้องที่ห้องพักค่ะแบบมีพระรา ห, าร ห, ารหรันหลายองค์แล้วมีขอ ง, องหลวงพ่อด้วยก็แบบใจจะถ่ายกลับไปอ่านานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหลวงพ่อ ปรนน่าแนะนำไหนว่าจะไหนจะดีกว่ากันที่มันจะก้าวหน้าในธรรมะกว่ากันแล้วแบบดีกว่าค่ะที่แบบเร่งภาวนาถ่ายหนังสือกับไปอ่านเงี้ยคือมันก็ไปด้วยกันได้แต่เพียงจะต้องแบ่งเวลาให้มันสมควรเอาเวลาปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องอ่านหนังสือพอเวลาเราพักการปฏิบัติแล้วก็มาอ่านหนังสือได้สลับกันไปได้ก็คือพักให้น้อยที่สุดแล้วก็เร่งเร่งปฏิบัติทั้งสองอย่างปฏิบัติให้มากแต่ก็ต้องศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเดี๋ยวเราหลงทางได้ เขาเขาสี่อค่ะถ้าอยากบวชแต่ว่าแบบไม่แต่มาหาวัดที่จะบวชชีได้จริงๆไม่อยากอยู่ทางโลกเลยอยู่แล้วก็เป็นทุกข์มากเลยค่ะหลวงพ่อแต่แบบมันหาวัดไม่ได้เลยค่ะแบบอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าทั้งโลกแบบอยู่มันรู้สึกว่าแบบอันตรายอค่ะทั้งทั้งทั้งกายทั้งใจอ่งนี้จะบรรลุทํายากไร่เปล่าอะค่ะในการปฏิบัติคือหาวัดได้ไม่ได้มันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่วัดไม่มีวัดให้เราหาหรือว่ามีวัดให้เราหาแต่เราขี้เลือกอถ้าเราเลือกบางทีมันก็หาไม่ได้ถ้าจะหาวัดที่ถูกใจเรา เอาใจเรามันเบี่ยงเป็นกิเลสอยู่เห็นต้องถ้าถ้าอยากจะหาวัดก็ดูวัดไหนที่ครูบาอาจารย์สอนดีมีคนเขาปฏิบัติ ด, ดีสงบดีก็ไปที่นั่นอย่าเอาตามใจเราตามใจเราไม่มีอะไรที่ที่ไหนจะถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นคื อ, อครูคบาอาจารย์ดีแต่ว่าพอไปแล้วแบบบางทีไม่ค่อยปลอดภัยอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยู่ไม่ได้ ก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกทุกคนในถ้าไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายดูบ้านอย่างอันตรายเลยก็คือแต่แต่ถ้าเกิดแบบจาเป็นต้องอยู่ทั้งโลกจริงๆเนี่ยแล้วก็แต่ว่าทําบ้านให้แบบเป็นวัดแล้วก็แบบมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็อยู่คนเดียวเราก็ต้องเพิ่มตัวเราเองแล้วก็ต้องหาเงินหาทองมาเลี้ยงเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีภาระมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองแต่ถ้าเราไปอยู่วัดแบบที่ไม่ต้องใช้เงินได้นี่มันก็สบายแต่แต่ถ้าสมมติอย่างแบบ ฟังองค์หลวงพ่อเนี้ยแล้วก็ส่งคำถามมาเป็นระยะๆแล้วแคท่านชี้แนะไม่ต า, าชี้แนะการนี้ก็ส่งแล้วเราก็เล่งภ<ม> า, าวนาก็ก้าวหน้าได้เหมือนกันก็ดูไปดูปว่าก้าวหน้าหรือไม่บางทีมันจถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ว่ามันมันไม่ก้าวหน้าก็ต้องหาที่ที่มันดีกว่าก็แต่คือแบบฟังหลวงพ่อมาตลอดเลยว่าก็คือองค์หลวงพ่อก็สอนมาให้ตัดความอยากเนี้ยแต่เราก็แบบเออทําไมคือจะจะทำยังไงให้มันตัดได้จริงๆในชาติเนี้ยครับว่าอ้โหแต่ و, จะตายก่อนหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องห้ามใจอยู่เรื่อยๆอยากจะเที่ยวก็ต้องห้ามใจไม่ไปเที่ยวอยากจะไปอะไรก็อยากทาตามมั el, นก็ <พ Gone S 1> คือแบ บ, บ, บ, บบก็คือปกติเป็นคนที่แบบไม่เที่ยวไม่แต่งตัวอยู่แล้วเนี้ยสมมติก่อนเราพิจารณาแตาล่ละขั้นไปบ่อยเราก็คือต้องเร่งภาวนาเยอะๆใช่ไหมครมันถึงจะก้าวหน้าก็ต้องภาวนาอยู่เรื่อยๆเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับก็คือต้องมาทําชีวิตแบบทําให้จริงจังให้ทําชีวิตให้มนักบวชเลยก็จะก้าวหน้าได้ดีการปฏิบัติทำอย่างเดียว าสาธุค่ะสาธุธาพยายามไปแทนเดี๋ยวก็ไปได้เอีอ่ยเนี่ยอย่สาธุจ้ะเชิญคำถามจะพูดรับฟังนะกุฏิค่ะในสายธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์เกิดจากเหตุอะไรเป็นหลักคะเ๋อมันมาได้หลายทางทางตาหูจมูกลิ้นกาย ตามความคิดต่างๆมันก็ทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้คําถามจากผู้รับฟังนะกุฎค่ะกายคตาสติการรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้สึกยังไงบางทีรู้เท้าแขนขาแต่ลมหายใจไม่ชัดทํำยังไงให้รู้ทั่วพร้อมได้คะอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ไม่หนาบางคำว่าต้องรู้แบบนั้นให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรกําลังเดินก็ให้เรารู้ว่าเรากําลังเดินอยู่ อย่าให้เราไปคิดเรื่องอื่นเวลากินอาหารก็ให้อยู่กับการกินอาหารอย่าไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้พระ น, นเรนความหมายคำถามจากทาง Facebook y o u t u b e ครับคำถามแรกจากคุณธีคัตนาเมื่อปฏิบัติธรรมมากๆ ก, ก็จะขุดกิเลสลึกๆออกมาแรงมากบางครั้งแก้ทันบางครั้งทุกข์ และไหลไปตามความทุกข์แบบแก้ไม่ทันครับแต่ก็พยายามแก้ไขมีความพยายามขึ้นทุกครั้งตามลําดับขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําเพิ่มเติมเราควรทําอย่างไรให้รู้เท่าทันอารมณ์สติเรายัางน้อยไปถ้าไม่ทันมันก็แสดงว่าสติเราน้อยก็ต้องพยายามมาสร้างสติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆพยายามเจริญสติระหว่างวันทั้งวันทําอะไรก็ให้มีสติอย่าให้ใจลอยไปที่อื่น ให้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้แล้วต่อไปสติจะไวขึ้นไวขึ้นแล้วจะทันกับกิเลสทันอย่างเดียวยังไม่พอต้องรู้ว่ามันเป็นกิเลสด้วยต้องมีปัญญาต้องเจริญปัญญาให้รู้ว่านี่คือกิเลสคาถามต่อไปจากคุณนาวินเมื่อพิจารณาขันห้าเป็นอนัตตาบ่อยๆจิตจะหลุดพ้นได้ใช่ไหมครับ ก็ต้องมีสติมีสมาธิเป็นเครื่องมือสนับสนุนด้วยถ้าพิจารณาเฉยๆจิตยังไม่มีสติไม่มีสมาธินี้ไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางได้ยังยึดยังติดอยู่ถึงน่าจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราทางปัญญาแต่ทางการปฏิบัติใจยังไม่มีกำลังที่จะปล่อยดังั้นต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตจะมีกาลังปล่อยได้ พอพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นทุกข์เราก็ปล่อยได้ทันทีคำถามต่อไปจากคุณวิริยะพอดีผมและญาติธรรมสี่คนเพิ่งกลับมาจากสีสังเวนชนียสถานที่อินเดียเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตครับ ทำให้รู้ว่าศรัทธาที่มั่นคงและอย่างลึกในจิตใจนั้นเป็นอย่างไรทุกทุกที่ที่ผมไปไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้เลยครับหลังจากกลับจากอินเดียมายิ่งทำให้เพิ่มความเพียรพยายามในการที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมให้มากขึ้นแต่ติดตรงที่ยังไม่สามารถทำได้ตลอดคืนหลวงพ่อพอมีคำแนะนำในการปฏิบัติอย่างไรให้ได้ตลอดคืนครับก็ต้องพยายามเพิ่มการปฏิบัติไปทีละขั้นทีละขั้น เพิ่มชั่วโมงไปจากจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงจากสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงไม่ใช่จะทำทีเดียวแบบทันทีทันใดมันยังไม่มีกำลังพอเราก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆใจเยน็นๆมันเดินขึ้นบันไดอยู่ขั้นที่หนึ่งอยากจะพูดขึ้นไปถึงขั้นที่ห้านี้มันก็ขึ้นไม่ได้ต้องผ่านขั้นที่สองขั้นที่สามไปก่อนคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม คารวาทที่เป็นผู้หญิงแชร์ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมว่าจบกิจแล้วแต่ยังไม่ทิ้งเรือนยังอยู่กินและมีเพศสัมพันธ์กับสามีเพื่อเลี้ยงปากท้องเพราะตนเองไม่ทํามาหากินและมีลูกแข็งแรงโตแล้วเรียนมหาลัยเขาบอกว่าไปอยู่วัดแล้วโดนแม่ชีในวัดแกล้งเลยอยู่บ้านดีกว่าพระอระหันต์ที่ใช้ชีวิตแบบนี้มีใช่ไหมครับไม่เคยได้ยินนะ คนใหญ่เป็นผ้าหานแล้วเราไปบวยกันทั้งนั้นคำถามต่อไปจากคุณดอกบัวถ้าเราเคยฆ่าสัตว์เช่นมดมแมลงเราจะสามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับเพื่อทำให้บาปของเราน้อยลงกออ็ทำบุญให้มากขึ้นให้บาปมากกับบุญให้ให้บุญมากกับบาปพอบุญมากกับบาปบาปก็ยังไม่สามารถส่งผลได้พอบุญจะต้องส่งผลก่อนคาถามต่อไปจากคุณรุ่ง ถ้าเราอยากทําทานเยอะๆอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นกิเลสเนอะเพราะมันเป็นเป็นธรรมะการทําทานนี้เป็นเป็นธรรมะเป็นการฆ่ากิเลสไม่ใช่เป็นการสะสมกิเลสความอยากได้เงินเยอะๆเนี่ยเป็นกิเลสแต่การอยากที่จะเสียเงินไปเยอะๆให้คนอื่นไปนี้ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นพระเวศสันดรเป็นบารมีเป็นทางบารมี คำถามต่อไปจากคุณกิตระวีเมื่อก่อนมีความโกรธบางครั้งควบคุมไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เห็นความโกรธและเราเห็นความโกรธแล้วความโกรธนั้นก็หายไปปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่ครับถูกต้องแล้วแต่ยังไม่หมดต้องไม่โกรธเลยวิธีไม่โกรธเลยก็ต้องตัดความอยากให้หมดไปเพราะความความโกรธก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นอยากทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําเราก็โกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะทํำยังไงก็ได้เขาจะทําทดีก็ได้ทําไม่ดีก็ได้เราก็จะไม่โกรธเขาฉะนั้นต้องตัดความอยากให้หมดไปจากใจตอนนี้ก็รู้ทันมันแต่ยังห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปหยุดเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาก็คือความอยากต่างๆฉั้นต้องพยายามไล่ล่ความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้แล้วต่อไปความโกรธก็จะไม่มีอีกต่อไป คำถามหมดละคำลงมีใครอยากจะถามอีกไหมยังพอมีเวลาอยู่บ้างเล็กน้อยอาเชิญเข้ามาจา้า เ, เข้ามาส่งไมโครโฟนไปเวยพูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยยัยงไงยไดีกับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะสอบอยากจะขอความเมตตาคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าถ้าเราเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิครั้งละ ครึ่งชั่วโมงเราจะสามารถทําให้จิตรวมได้ไหมคะคือมันรวมไม่รวมมันไม่อยู่ที่เวลามันอยู่ที่สติว่ามันต่อเนื่องหรือเปล่าได้ค่ะถ้ามีสติต่อเนื่องห้าห้านาทีก็รวมได้ค่ะและและเราควรจะปรับเพิ่มเวลา <c oughs> เพิ่มให้เพราะว่าขึ้นสติจะได้มีการต่อเนื่องได้มากขึ้นได้ค่ะแล้วเราจําเป็นจะต้องเดินจงกรมและ <c oughs> นั่งสมาธิในเวลาที่เท่าๆกันไหมคะหลวงพ่อไม่จำเป็นแล้วแต่เราจะเลือกเอา กลับนัสกการขอบขอบมากชอบอย่างไหนก็ทําอย่างนั้นนานหน่อยก็ได้ชอบนั่งก็นั่งนานหน่อยชอบเดินก็เดินนานหน่อยก็ได้แต่ต้องมีสติทั้งสองทางถ้าไม่มีสติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดินเดินนานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลขึ้นมานั่งนานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลต้องนั่งและเดินด้วยมีการมีสติอย่างต่อเนื่องโอเคกลับนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมนั่งสมาธิบางครั้งจิตก็เงียบหายไปเลยบางครั้งก็คิดขึ้นมาได้บ้างนึกคิดขึ้นมาได้บ้างมันมีการพลาดผ่านเป็นครั้งครั้งครับแต่ว่าแล้วแต่ครั้งบางครั้งก็หายไปเลยบางครั้งก็พอจะคิดได้บ้างเป็นไปเป็นคือกลับไปกลับมาสลับกันอย่างเงี้ยครับเป็นหลายปีแล้วครับอยากจะทราบวิธีการปฏิบัติต่อไปครับคือเวลานั่งนี้เรามีสติอยู่กับการนั่งหรือเปล่าพุโทพโธ ก็ให้อยู่กับพุทโธไปจนกว่าจิตจะนิ่งถ้าเขาหยุดถ้ามันถ้ามันไม่นิ่งเราก็พุทโธไปสลับกันไปวันที่มันนิ่งได้แป๊บเดียวแล้วมันก็เริ่มคิดเราก็พุทโธใหม่ต่อไปให้มันนิ่งง่ายนานๆให้มันนิ่งแบบเป็นหน้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีไปถ้ามันนิ่งแป๊บเดียวแล้วมันกลับมาคิดก็พุทโธใหม่พุทโธเหมือนเบรกรถยนต์ไอความคิดเหมือนรถยนต์ที่มันมันวิ่ง พอเราเหยียบเบรครถยนมันก็หยุดวิ่งพอเราปล่อยเบรคมันก็วิ่งต่อพอเราหยุดพูดโทรแปร๊บเดี๋ยวมันก็คิดใหม่พอคิดใหม่แล้วก็ต้องพูดโทรใหม่ไปเรื่อยๆทำไปจังกว่ามันจะไม่ไม่คิดอะไรเลยคำถามจากทางเฟซบุ๊ครับคุณมูลริเวอร์ถือศีลห้าภาวนาใช้อนาปานสติครับจิตหลงไปรู้ทันจิตเพ่งรู้ทัน ที่ผ่านมาจิตติดโมหะเมื่อรู้ทันจิตโมหะก็ดับเร็วๆนี้เกิดโทสะก็สามารถดับโทสะได้ครับไม่เหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าจิตมีกําลังมากขึ้นแต่ก็รู้จิตดีก็ได้แย่ก็ได้เช่นกันครับแยกขันห้าได้บ้างเห็นไตรลักษณ์บ้างถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจะสามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมครับถ้าทาให้หยุดมันก็ได้นะเป็นแต่ช้าช้าหรือจะเร็วนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณรุ่งคำว่าจิตรวมหมายถึงการเข้าสมาธิระดับไหนครับอบปนาสมาธิหรือฌานสี่จิตนิ่งสงบเป็นสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเอกตารมขึ้นมาเรียกว่าอัปนาสมาธิตั้งอยู่ได้นานถ้าสงบรวมได้แค่เช่วงูอแอบลิน้นเลื้ อ, อช้างกดิกหูนี่เรียกว่าคณิกะสมาธิสงบเดียวเดียวถ้าสงบได้นานก็เรียกว่าปนาสมาธิ